เจ้าคนญาติโยมทั้งหลายเจ้าคนจังใจจังกรรมของจังอฟังอนุลโเรียกก็ดายนางสบายเป็นวของน้องแทนนี้นะอวันนี้เป็นวันมหามงคลานหนึ่งทุ่งญาติโยมทั้งหลายเจ้ากรุงเทพมหานครเรามาเยี่ยมทุ่งพระพิามม เกณฑ์ผูประเัติวัตฏิบัตินในป่าปียากที่ใครๆจะมาเห็นอย่างนี้สภาพที่อย่างนี้ถ้าไม่มีใครแนะนำไม่มจีจังใจไม่มีสคาถาเขาไม่มีใครจะมาอมือย่างใจญาติโยมทั้งหนายเห็นแน่น ะ, ะนั่นเมื่อมาถึงพระทนี้การแจ้นรับญาติโยมก็ทำได้าำได้ดังนั้นคุณขออาภายัยญาติโยมทั้งหลายทุกๆท่าน ที่เราสถานที่นี้ที่นี้เป็นสถานที่ปฏิบัติทางพระทางโงมทางอบายสกุลศิษาอยู่การตามธรรมชาติในป่าเมื่อพวกเราทั้งหลายมาถึงจุดนี้ก็เป็นเหตุให้เราระลึกถึงเจ้พุทธเจ้าซึ่งกันอยู่ในป่าเป็นป่าชาัดอยู่ต า, ามธรรมชาติแต่ในป่าชนนี้ก็ยังมีนะ <c oughs> ถ้าในเือหงหวงก็ยังมีชนีดหลายองค์เหมือนกัน มาทนทุกข์ทรามาณอยู่นี่แต่ว่ามันสบายใจแต่ว่ากายมันกระุกก็ไม่เป็นอะไรแตว่าใจมันสบายมนุษย์เราทั้งหลายนี้โดยมากก็พึ่งหาอาหารทางกายกันแต่โดยมากอาหารทางผิดนั้นที่เป็นของคือสำคัญพวกมนุษย์พุทธบริษัทเราทาั้งหลายไม่ค่อยเข้มงถึงอาหารผิด อาหารจำใจข อ, ของเราทั้งหลายนั่นพอความจริงนั่นคนเราทุกๆคนตนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจันทร์ว่ามีกายส่วนหนึ่งและมีใจส่วนหนึ่งซึ่งมันจะจัดแก่เราทั้งหลายท่านทุกวันนี้ก็มีกายกับใจกายใจมันสบายกายมันสบายามั น, นก็หมดเรื่องแล้วไม่มีอะไรจะเติมไปอีกแล้วถ้ากายมันทุกข์ถ้าใจมันทุกข์ก็วุ่นวาย โลกเีมันจะกว้างขวางมันก็แทบเข้าทุกทีทุกทีอย่างอันนี้สิ่งที่สําคัญที่มีอยู่ในตัวของศพทั้งหลายนั้นซึ่งก็ผู้มีประภะของเรานั้นที่ท่านจะสอนนั่นก็คือมีของสองอย่างคือมีกายอย่างหนึ่งก็มีใจอย่างเราทั้งหลายซึ่งประกันรักษากายรักษาใจให้มันมีความถูกต้องตามธรรมะกควรจะมีความสงบนงครับอาหารทางกาย การินกาอาหารอาหารคือคาข้าวสารพัดอย่างที่มันไปหล่อเลี้ยงสภาวะร่างกายให้เป็นอยู่นี้ด้วยวาอาหารทางกายมีคาข้าวเป็นต้นเป็นปโภทานหล่อเรี่ยงร่างกาย <c oughs> แต่ก็เมื่อร่างกายนี้มันมีอาหารสมบูรณ์อริสอร่อยใจเราไม่สบายมันจะสบายไม่ได้สบายไม่ได้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 <l ug> เราจะนอนอยู่นั่งกันในป่ายัยเนเงี่ก็มีความสบายไม่จําเป็นจะห้องแอร์เลยนะอาหารเฉพาวา่าอาหารที่นั่นเต็มอยู่จะได้ทานกันในวันนี้แต่ร อ, ออยู่แล้วมีพ้าจังจะทานวันละมื้อโยมองในสามมื้อไสี่มือมอนะ้อโน้ตนะคือเด็กจากเขื่อนที่เป็นเพื่อตลอดทางเลยดูกี่มื้อละหมดนะ่มาทุกคนทันนี้ อย่างนั้นแหละคือเราในกำหนดว่าจะอยู่นี่ชั้นไวเดียวเนี่ยชั้นเกิดมาเป็นก้อยอืมอ่พอที่ดุกอยู่กันี่น้ำแข็งยอมบางทีก็ม่เจอจะได้นี่ก็ไมเจอแล้วละอัตมาอาพรสหลังมาไปเนี้ยมีเคยชั้นน้ำแข็งอยู่เรื่อย่ดยังไปถามเพื่องน้ำแข็งเพืงถามให้สวรรสบัดหน้าเลย คนคิดว่าลมมังแข็งไม่มีครับมัก็สบายดีนั่นแหละแต่คิดว่าลมมังแข็งมันก็ยิ่งมีไม่มีแล้แข็งแล้วเนียเขาก็อยู่กันสบายนะข้อกายมันสบายใจมันก็สบายอืมีอยู่ไปนี่เนื้ออาหารทางกายถ้ากว่ามันอ้วนมันพีมันอิ่มมันเต็มใจไม่อิ่มมันก็เป็นทุกข์นั่นทนี่เรือาหารทางใจมันสบาย ยกแตวอย่างง่ายๆมีครูบาอาจารย์มีความสามัคคีพร้อมเพียงกันทุกเวลาเนี้ยว่าไม่มีอะไรแม้คารวะครอบครัวของเราทุกทุกครัวนะถ้ามีอารมณ์กติกถูกกันแล้วมันก็มีความสบายหมดัแหละอาหารตะกี้ีมันสบายมากดังนั้นเรื่องจิตใจนี่จริงเป็นของสําคัญมากที่สุดเพราะพูดมีแภาคของเราท่านจึงให้เพราะว่ า, วามจิตรักษาจิตเพราะอะไร ตาได้เห็นหูได้ฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสก็ไปกายได้ปวดทปะก็ไปทิ้งให้ใจให้ใจแบกคนเย่อให้ใจบริหารคนเง่อะไรไงเขาขึ้นเลยตรงนั้นเนี่ยตาไปทิ้งให้ ห, ไหูไปทิ้งให้จมูกไปทิ้งให้ลิ้นไปทิ้งให้กายไปทิ้งให้แหละตัวคนนี้ใส่ดังนั้นจริงใจนี่จริงเป็นของจาคัญนองค์ขึ้นโดยแต่สมาสามพุทธเจ้ากันคนตัง พ, พุทธบริษัททังหลายอยารืมอยา่าลืมให้เขาไปเห็นจิตของเจ้าของท่านจึงจัดพห้พวกมนุษย์พุทธบริษัททั้งหลายนั้นและสังวรยามมีประโยคพยายามปีกตัญากรัตเลยสีเรยนาคุกติจินยันติสีเรนาโคขยัมปัฏฐาสีเรยนะนิพุติจยันติสัตมาสีรังวิโสทะเย่ท่านกล่าวว่าพวกเราทั้งหลายจงเ ย, ย็นผู้พันนีสม ศีลนั่นเป็นของเยาะเย็นศีลนั้นเป็นของสะอาดศีลนั้นเป็นของสงบศีลนั้นเป็นของครับเมื่อใครพากันมีศีลนั่นจะไม่มีการมีพามีการระทำบาปตางกายต่างวาจาต่างใจถ้าใครมีศีลถ้าใครมีศีลก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์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 เกิดมาแล้วก็มีเคยิ่งกันอยู่อย่างนั้นหลยนะแต่ไมาเห็นจาเจ้าอะไรมาเอาอะไรไปถ้าเรามานุษมาคิดคิดเจตนาดีนะพระพุทมีประวักิของเรากันจริงจังมากวันคืนร่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรกันอยู่อันนี้ก็คล้ายๆระว่างพระพทรุทธเจ้าจนถามถึงความเป็นอยู่ของพเรากันหลายท่านเองแต่อานีมันเป็นคาพูดของท่าน ถ้าพู ด, ดก็ได้เราเฉยเฉยมันเป็นวันหยัดของท่านวันคืนรวมไปร่วมไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เพืดเด่อเรื่อเฉยเฉยในหมือนท่าเนเป็นตัวมาพูดให้เราความเป็นจริงคํานี้มันเป็นคำที่จเราพิจารณาดีดูไปได้เกะว่าวันกับคืนเนี่ยเรามีอะไรวันนี้เราทําอะไรอยู่มันมีอดีตมันมีอนาคตมันมีปัจจุบัน ว่าอดีตเราทำอะไรได้บ้างอนาคตมีอะไรบาร้างปัจจุบันเราอยู่อย่างไรเราควรคควรที้ือควทีีทจต า, าให้เาขอมันได้ทนท่านนุ่ ง, งพูดง่ายๆก็เรียกว่าห้ามการจะทาความผิดผิดอะไรทุกอย่างอาจาร ย, ย์ผิดได้มันอุตส่าห์บาผิดได้มันก็ไม่ถูกอนะัไรอย่างเงทีนี้เราน้นเรงกาจริยธ ผู้มีศีลจะมีสุขข้อศีลนั้นไม่ทำไมใครไม่ละลานใครไม่เจต ก, กะใครไม่เบียดเบียนใครศีลนั้นมีความถูกต้องทางกายทางวาจาท่านเดีกับซีเรน่าทุกกระจิงยันติมันจะมีความสุขคนไม่มีเหตุให้ทุกเกิดมันก็ระงับทุกทุกมันจะเกิดขึ้นมาเราจะนั่งอยู่มันก็เป็นสุขเราจะเดินใจเนจะเป็นสุขมีความสุขมีความสงบ น, นั่น นี่ลยเสนอชี้เลยนะสุสะจริงยันตีมี่ฝีสมบัติของมงคลสี่มีชิ้นไม่มีเรื่องไม่มีทุกข์นีเลยนะโฟกัสสมเด็ทฮาโฟคะฟอันมันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติกายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์แล้วโฟคะอันนั้นเป็นโฟคะที่เยี่ยมยอดเป็นโฟคะที่บริสุทธิ์บรปองเป็นโฟคะที่เรียบร้อยเป็นโพคะที่ไม่มีวิดมีภัยจะเอาไปบริโภคจะเอาไปกไินไปทานบริจาคที่ไหนก็เป็นมงคล เป็นบรรุอันมั่นคงในดวงใจของปราชญ์ t ern t ern t ern. ทั้งหลายสีลยนะสุกติยันติสีนะโฟก ษ, ษ, ษ, ษ, ษ, ษัมปันธาสีเลยนะนี่คือริงยันติสีลังมีเสือจะเย้ท่านพูดแต่เรื่องสิ น, นั่นเดียวนีเองนะจะไปถึงพระนิพพานซี่มันมีความเกิดมันมีความแก่มันมีความเจ็บม่มีควา ม, ม, ม, วามตายม่มีอะไรอะไรทั้งสิ้นเปนของหมดเกลืนั้นก็ค วิธีนั้นพวกเราเราท่านทั้งหลายนั้นวันนี้มีทางทานวันนี้มีทางทิ้งคุณอาจรให้ทานเครื่องอุปกรณ์เป็นทานาวารามีบารามีคือทานาบรารมีนี้พระพุทธเจ้าทุกองชาวโกทุกองจะต้องบำเพ็ญไม่บําเพ็ญทานาบารามีจะทำไม่ได้อันนี้มันเป็นองต้น เป็นวารมีนี่และเป็นคนทำมันยอดยิด่งพระองค์สมเด็จตถาสมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ิรีรนาพาณกถากล่าวตจงการให้การให้นี้มันมีประโยชน์มีความสุขมีความสงบ ม, มีความสงบเรีรเยกไปเห็นง่ายว่าวันนี้เราไปขโมยของคนมาจะสบายใจั้ไหมง่ายเนี่ยเราไปขโมยรถเข้ามาไปขโมยของเข้ามาวันนี้จะมีความสบายหรือเปล่า คิดเย็นเป็นปวันวันนี้เราทุกคนพยายามและสารกิ่งเล็กน้อยก็จะบำรุงนะให้พระเจ้าประเสูิฐยนต์านี้มีความเย็นเป็นจุกเป็นเล็กเปนน้อยและสระไฟนี่มันมีความถูกไหมมันมีความพอใจมันมีความอิ่มใจอย่างนี้เท่านี้มันจะต่างกันกับการให้และการเอามา การเสียสละความจริงๆเนี่ยมันก็ถูกแล้วเห็นแล้วความสบายใจความสบายใจความทําที่ถูกต้องนั่นแหละท่านเบบบุญยังญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้ทุกคนเป็นคนที่มาจาบุญเราได้เสียสละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างกับท่ามันะมันมีทางที่ถูกต้องแล้วมันก็สบายแล้วความสบายความไม่มีโทษความไม่มีภยัย ความสบายอกสบายใจความสงบระงับที่องค์ที่ทันเดียกว่าทำ ท, ที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องนั้นเดียกว่าบุญแล้วก็ไเจ้าจะเรียกว่าบุญการกระทําที่ไม่ถูกต้องไงเกะละลานเฉื่อนเมนลุกเกล็ดกันเนี่ยให้เดียดร้อนวุ่นวายนั่นเกอนเลยทำไมถูกต้องการกระทําที่ไม่ถูกต้องจนเรียกว่ามันผิดการที่ว่ามันผิดนั้นทันเรียกว่าบาปนั่นเอง บาปก็คือความทุกข์บุญก็คือความสุขในทางที่ชอบเมื่อเราพูดในเห็นกัน ง, ง่ายๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ฉะนั้นบนรรดาสาวจะเปนทั้งหลายวันนี้พร้อมกันมามีโยมก็แต่ท่านี้ท่านไ้มากราบมาไหว้มาแต่พูดปฏิบัติวันจิตจีนี้ท่านเาาจนนนเ็นผู้มีปัญญา นนคญญ น, น, น, นคนผูมีปัญญาแต่แปลกเหมือนกันเป็นคนจิตแปลกๆเนกันแต่บางคนเห็นตลอดคนมไม่มีปัญญาละว่าเจอสวยงามมาอยู่ในป่านะบางคนใครบางคนไม่มีปัญญาสร้างบ้านดีๆแล้วไม่อยู่สร้างชีวิตดีๆแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ในป่านนี้ต้องก็ะเดิดคนงู้นี่บางทีก็เห็นอย่างนี้อะไรก็สร้างคนงูฉลาดอยู่ในใจของเราโดยกแตเล็กกันนะอันนี้มงึมงมึงมีใครมองเห็นแค่นั้น คือท่านในมันเป็นคนแสกใจบุญคุนทานถึงนายโยะมาโยตมาจถามว่าจะบวชไหมมีบวชไหมยังครับถ้าจะบวชต้องลงไปเข้าปัญญาตัวเตอะปัญมากร่อยอยู่ไหมไฟโจธรรมดาก็จะเริ่มเมื่อยอยู่ใช่ไหมอืมก็อยู่นี่นี่คือคนที่จะต้องอยู่ไม่ต้องทําอะไรให้จะอยู่นะอือรอย่าง่ายอีกสาง้าวอืม ไม่ใช่ไม่ช่เหั้นไหนพืชพันธุ์ต่างๆที่จะรดน้ำบ่อยๆไม่ตามธรรมชาติในป่าอย่างในตรงนี้ท้องรดน้ามันเสียวสวยไหมไอ้พันที่ได้ปลูกไอ้ต้นไม้ที่รด้ปลูกที่บ้านนี่ยลดน้ำกันถุกวันไหมรดน้ําชุกวันมันคงอยากจะไม่สวยจะโดนอ่ะนั่นไม่ว่ามันจะธรรมชาติมันดัดแปลงมันค้าเนรที่ม่โยู่ประมาณนี้มันกันโดยมาก่อยกับแปลงเลอยู่ยังไงกินยังไงก็ดูไปแล้ว เหมือนกับคนเราที่มีศรัทธาแล้วมาอยู่กับพวกทั้งหลายที่มีใจ <c oughs> มีจิตศรัทธาปฏิบัติแล้วมันก็เชื่อมเขาเองทําเองเหมือนกันกัะบวอกระบืมันกินอะไรมันกินหญ้ากระบมันกินหญ้าเอาวระมาปล่อยไปสนามหญ้าถ้ามันไปถูอัณฑะกินหญ้านะถ้ามันไม่กินหญ้ามันก็เป็นหมูเท่านั้นเนี่ยนะ คนทู่มีศรัทธาเนี่ยเอามาปล่อยในงานนาบุญใช้เจ้าป่ะเส็นซึ่งปฏิบัติกันแล้วไม่ต้องสอนอะไรมากหรอกผมชักท่านทำเหรีเงินท่านทำอย่างไรดูไปดูไปมันก็ชอบแล้วก็ทำเท่านั้นไม่ต้องยากไม่ต้องลำบากที่เดียวอาศัยตัวเองเหม้อนกันแต่ว่าว่ามันกินหญ้าเอามาปล่อยในสนามหญ้ามันก็กินหญ้าเท่านั้นแหละถึงแม้จะกินหญ้าก็ไม่ใช่ว่าเท่านั้นเอง อันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันลูกิตกับคนใจเจ้าขอเหมือนกันกันนั้นมันมีอันไดอันนี้มันจิตใจของคนคนนั้นแหละอ่าอ่าถ้าหากว่ามันเป็นธรรมชาติสมัยรามมันเห็นมันมองก็ปฏิบัติเองนี่ฉะนั้นญาติโยมซึ่งเป็นพ่อว่านแม่บ้านลูกหลานทั้งหลายนั้นการานาขยิน่ะพ่อกับโประว่านูกสาวร้องไห้เลยนะอืันจะมาผงอยากจะเห็นเหมือนกันแบบคนยังไงคนร้องไห้เนี่ยนะ วันนี้ซึงมาเห็นแล่ละนาเห็นแล้วจะเลยบอกว่าอาหารทังจิตอาหารทางกายมันเป็นีกอย่างไอถึงที่เรายังไม่รู้จักอันนี้ ใ, ใครแต่กันที่เป็นมาติดจ้องเงี้ยมีแล้วอย่างเนี้ยอ่าแม่ดิรูกจะมาเห็นวัดนี้กับพ่อพ่อท่นมาผมบอกอย่างดีของอยู่ในป่าเนี้ยอถ้าคนในมารู้มาดูมันก็ไจะเห็นมันอยู่ในป่าของอยู่ในป่าก็มีของดีๆเหมือนกันนะถ้าวคนรู้จักนะ ไม่ใช่ต้องมีอยู่ในเมืองอย่างเดียวนะอยู่ในเมือง้องไม่ดีกวเยอะไปเหมือนกันเต้นต้ลองสมเด็จตัสมาสัมพุทธเจ้าผู้มีศรัทธากันส์ในสวนคนอยู่ป่าท่านเกิดท่านจะเกิดอยู่ในป่าออกปฏิบัติโตปฏิบัติอยู่ในป่าให้พระธรรมธรรมโตชนะไปในยุคที่ยุคที่ร่วงมาก็ให้อยู่ในป่ากัจจารูก็กัจจารูในป่านิพพานตั้งแต่นิพพานอยู่ในป่าเนี่ย แล้วควเราไปที่นี่คิดนาดูสิว่ามันเป็นยังไงมันเป็นป่าใจป่าแลเราใจใจเราเป็นป่าใจแล้วมันสว่างสวายอือมันเป็นเช่นนั้นเอืมของที่อยู่ในป่าชั่อยู่ที่อาศัยนี่มันเป็นส่วนดูดบืมจิตใจของมนุษย์แต่ต่งหลายแต่นั้นไอเห็นจัดหลายจำพวกจัดมันหลายชนิดต้นไม้มันหลายอย่างอยู่ในป่าทั้งนั้นเหาะ ถาราพี่เจอนาแล้วข้อประทัดปฏิบัตินี้เราจะค้นอยู่ในป่านี้ผมถออมื อ, อกกไปทีเดียวมันเลี้จะออกจากกระไตปิดอกละอยู่ในนี้อือฉะนั้นบรรดาสาวเชิญต่างหลายจึงมาพบอยู่ในป่าอย่างนี้อือบางคนก็อาจจะแปลกใจว่าอยู่กันยังไงกินกันยังไงอะไรทำยังไงได้ไหลายอย่างอืมนี่ฉะนั้นพระเนนบางเรื่ที่มาจากในเมืองหลวงก็เคยมาอยู่แต่มามากไม่เฉพาะเจาะจงในเมืองไทยืองนอกก็เยอะไป คู่นอยู่เนี่ยอืมมีมากแต่เพราะว่ามันมีอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นแหละอืมซึ่งเป็นเหตุให้มนุษย์ทั้งหลายสื่ใจเด็กกติยนากีความจริงมิฉะนานองค์สมุดพระสมาสัมพุทธเจ้าจะต้องการว่าสีเรณะสตขจิงเยนสีเรณโพกสัมปทาสีรณมีจุติยันติปรมชาสีรังอิสุติเย่พวกเราทั้งหลายทุกคนถ้าพร้อมเพียงกันมีศีลมีธรรม มีกามีวาจาอันบริสุทธิดให้จี่จุด ต, ต้องแล้วโวกชามนุษย์เราทั้งหลายนั้นจะหมดเพ้ฝันมุกันทำลายในการเบียดเบียนในการเกลียดใจการโจดในการอิจฉาในการปฏิบัติกันนั่นมันจะหายไปเสื่อมไปเมื่อทีมทั้งหลายเหล่านี้มันเสื่อมไปความสงบความระงับจะเกิดจะมาตั้งจะมาในาที่จิตใจของพวกเรทาท่านทั้งหลายเป็ี่นต้นนั่นแหละวันนี้ขอสาธเตชมทั้งหลายเพประกันตั้งอกตั้งใจ ที่เราทำมาแล้วในวันนี้ก็ดีทำมาแล้วในวันหลังก็ดีที่ยังจะไม่ทำในอนาคตนั่นก็ดีขอจนทำกายทำวาจาทำจิำใตใจตนายถูกต้องตามหลักของประธรรมสัมพุทธเจ้าของเรานั้นถ้าหากเราทำมีความถูกต้องและทางอรีต ก, กิรีทางปัจจุบันก็ดีทางอนาคตก็ดีในการไปกันมาของโกัโนอย่างๆนั้น จะมีความสุขกายจะมีความสบายใจจะมีความถูกต้องสงศ์มุ่งมา่นปัจจณาของสัตวพิชิตการฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้รับโอวาทชำะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จตถาสมาจัมบดจัจเจ้าแล้วจงมีน้อมก็ไปเป็นโอปนายมุตระทำโดในจิตใจของพวกท่านทั้งหลายนั้นให้จินสีเลยนะสุขจิงยันตุเพื่อให้มีความสุขสีเลยนะโภกชนปธาให้มีโชคะสมบัติอันงอกตามไปเรื่อย ที่เรนนามีพระจึงยันต์ติจงเยือนผู้ไปหาความกระเสิมจำรานสุขคือสนิพานนั้นก็เพราะอาการรักษา ก, กายวาจาใจของคนไหนมีโทษเดียวกันละก็จริงแบก น, นี้ขพระอพจารย์ทั้งหลายจงจงอกจงใจจงเยือนผู้น้อมไปไม่ในจิตใจของพระ อ, อาจารทั้งหลายให้ที่นีิผีจต น, นา ในธรรมะ like ําสังสอนสององค์สมุดกพจจามาสมุดใจของดาวน์นั้นสมศิริจุดนี้ขออย่ายนทังร้ายจนจนผู้มีความสุขใจจะได้จิตโดยอํานาจแห่งคุณปะจีกัจจะนับใจจงจงปัดกระสาของตกชั่นทังร้ายในการเดินทางการไปการกาไปสดีการมาสดีการอยู่สดีการไปสดีโดยอํานาจบุญกสศลอนนี้จงปกปัดชุ่มครองโดยอํานาจแห่งคุณปัจีกัจใจจงเป็นผู้จะเดินรุ่งเรือง ตลอดาลนานคือ